ไอ้เรียกว่าปรมีไ้มีรมีสิบทานปรมตถาปรมีมีสองมีสามอย่างทานอุปปรมีทานปมถารมีทานไอ้ทานอุปปรมีทานปถารมีมีสามอย่างทานธรรมดา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 เรามีสินแล้วเราควรที่จะ ง, งั ด, งดเว้นจากความชั่วโดยด้วยวาจากมื่งดเว้นจากความชั่วด้วยวาจาได้แล้วงดเว้นถึงใจอีกใจที่งดเว้นความชั่วอีใจเป็นของสำคัญมากนะทั้งรวมใจ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 ภาวนานางพระเวเตวาขั้นที่สามคือภาวนาโดยฉะนั้ไม่ถึงนี่จะทําทานไม่จะรักษาศีลจะทำทานและรักษาศีลก็ไม่ครบบริบูรณ์อย่างอธิบายมานั้นเนี่ยส่วนภาวนานี่น้อยนักน้อยหนาที่จะเกิดไปได้ที่จ ะ, ท, จะที่จะปฏิบัติที่จะกลาวถึงภาวนาเป็นญากนะ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 ขอให้รู้เรือร่องของตนว่าทานมีในใจของเราอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้ความชั่วทั้งปวงมดเราสล่านั้นเรียกว่าทานชินคือรักษากายว่าจจใจให้บริสุทธิ์เราวิรัยติงดเว้นนั้นเรียกว่าสินเราเราพิจารณาเห็นว่าทานชิน ม, มีในตัวของเราแล้วให้รักษาทานชินให้ไว้นั่นแหะเป็นภาวนา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 ของง่ายๆการทําความเพียรหรือการปฏิบัติพุทธศาสนาง่ายนิดเดียวมันทำปฏิบัติทุกถ้าปฏิบัติไม่ถูกอ่หางงมาอยู่คนนี้เมื่อทําทานรักษาสินภาวนาแล้วจิตใจก็เบิกบานจิตใจก็ยินเย็นเฉียบใสจิตใจก็ผ่องใสบริสุทธิ์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 ถึงพระนิพพานไม่ใช่แต่เพียงสวรรคตุกฎิถึงพระนิพพานทีเดียวเราทุกคนทําบุญทำทานก็ปรารถนาให้คนจากทุกข์มันจะพ้นได้อย่างไรที่นี่ยังไม่ทันถึงนะ่ะไม่พิจารณาถึงตัวของเรามันก็ไม่พ้นได้หรอสิอยากให้ด้นเฉยๆเราไม่ทามันจะพ้นได้อย่างไรบางคนนั่น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 รักษาสิ่นแน่วแน่ไปมันได้เกิดภาวนาในตัวอย่างที่ว่านั้นในค่อยปฏิบัติตัวอย่างนี้แหละแต่เบื้องต้นนี่แหละไปโดยทลำดับไปก้าวขึ้นขั้นสามมลทีเดียวขึ้นไม่ถึงมันก็ตกบันไดอสติละมันจะไปได้ไมันจะถึงได้อย่างไง เอาละอธิบายจะนี้ออเอาภาวนาจะ เ, เอามากเอาหลายอย่างมาเสรนจภาวนาหรอก นั่นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาพุทโธก็จะเอาละหั่นก็เอาอนาปะก็จะเอารุบหน่อพังหน่อก็เอาส้ามาละหั่นก็จะเอ า, อ า, อ า, า, เ, อาเอาหลายอย่างมันเลยมันไม่เป็นภาวนายังค่อยเอาหลายอย่างถ้าภาวนาจิตจริงจังแล้วอันเดียวเท่านั้นเนี่ยจิตมันอันเดียวยังค่อยเป็นภาวนา ถ้าจิตละอย่างก็เป็นแล้แสดงว่าละล้วนเลยจิตใจลวงเลยไม่ตั้งมัน่นอันเดียวนึกพุทโธเดียวก็ได้สงสัยว่าพุโทโธจะไม่ถูกนิสัยะ้ำหั่งจะไม่ถูกนิสัยหน้าปานุสติจะไม่ถูกนิสัยเลยยุ่งกับไปหมด <บ> <PTSD> อันนั่นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูกมันตำหลาเขาว่าหมาชีลเล่นขอโทษเถิดหมาชีลเล่นเขาว่านั้นไปไหนมาเกะควักค้กโค้กค้กค้กเกินนั่นแหละทีไหนลุกไอ่ลออกจากนี้ก็เป็นนอนท่อนค้กโคกเกนเลก็ลุกไปนอนนู่นอีกแหละหาว่าที่มันไม่ดี อันแท้ที่จริงกันตัวเราไม่ดีต่างหามันยังหาอยู่มาแล้วสักทีตอนนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยอันนั่งก็ไม่ดีก็หมายความว่ามันที่ไม่ดีนั่นเองที่น้องก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีแท้ที่จริงตัวเรามันไม่ลงเป็นหนึ่งต่างหา จึงเรียกว่าหมาคิวลันชน oidal ลงอันเดียวแล้วถ้าจิตแน่วแน่ลงไปเชื่อมันว่าอันนี้แหละเป็นของดีควาเชื่อนั่นนะซึ่งของสําคัญเือรักษาแผลที่งเงื่อนคิวลอนได้รักษาของของดีนั่นแหละอันเชื่อความเชื่อนั่นะแน่วแน่นั่นนะเลยรักษาแผลคิวลอนได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 ที่จะถึงมรรคผลนิพพานก็จิต เ, เอก็เอก ก, กัตตาจิตเอกสมังคีจิตรวมเป็นหนึ่งเพื่อถึงมรรคผลผนิพพานถ้าหาคอยังลวนเลยอยู่ไม่ถึงเอาอันนี้ละเอาเดียวตนีละเอาไหนก็เอาจะเอาไหนก็เอาขอให้เอาแนวแน่ลงไปอันเดียว